ตามสมควรแก่เหตุแก่ความเหมาะสมซึ่งขั้นนี้ไอ้ปัญญามีอะไรต่างๆที่จะเป็นตัวเนี่ยว่าในทางลึกก็ <c oughs> ถ้าจะไปถึงชวนากิจเป็นกิริยาโดยของเราก็แค่คือกิจหน้าที่ <c oughs> เอ่อเมื่อเราก็มาลองคิดดูว่าพูดถึงตรงนี้แล้วเราก็มาลองคิดดูว่าการถึงเมื่อๆว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยเป็นจิตเป็น ไม่ใช่หน้าที่คุณใช่มะทั้งที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่สมควรเราก็ทําด้วยเจตนาดีแล้วเราก็ไม่ใช่หน้า อือพอกว่าอะไรก็ไม่ใช่หน้าที่เพราะไม่ไม่ได้อยู่ในกรอบเกียรติทั้งเนี่ยเรามานึกคือครับว่ามีอะไรที่ไม่ใช่เร 89 เนี่ยครับเกิด 14 กิฏ มีหน้าที่กี่นาทีและพฤติกรรมของบุคคลที่กระทําครบพงกัมมบทไม่ครบองค์กัมมบททั้ง เพื่อนี่ไม่ใช่ว่านี่ไม่ใช่ว่าตั้งเรารู้นะเอาโดยปริยายทั้งธรรมะเรา นะสมมุติเรารู้ชาตินายเราก็ไม่รู้ไอ้เกิดมามาทําไมบางคนก็อาจจะบอกได้ๆได้เออก็อาจจะเนี่ยถามว่าท่านมา แต่ว่าถ้าเป็นการอย่างเนี้ยมันเริ่มการทุกๆชาติตลอดนะ ทำไมถึงจะตลอดเวลาเรามีความอยากๆเลยว่าอยากในอารมณ์ทั้งคนไม่มีเช่นแล้วอยากครับได้ ไอ้ความอยากระดับอย่างนี้นิพพานคืออะไรเลยยังรู้รู้แต่ว่ามีที่ต่างมีคนน่าปรารถนามันมีตัณหาทั้งนั้นที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวอันนี้มองไม่เห็นมัน แม้ว่าบอกแล้วก็ๆกระจ่างนั้นน่ะมีอยู่พวกหนึ่งซึ่งมีอยู่วิธีหนึ่งที่จะมองออกได้อย่าง <c oughs> ใจเต็มความรู้สึกตัณหาของเรานี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยทุกนะแม้แต่จะลุกทีนึงแม้แต่จะ สติมันไม่ให้กระทําพฤติกรรมคนนั้นก็จะไม่มีเนี่ยจะเห็นชัดเพราะฉะนั้นเรานั้นจึงๆเนี่ย ขยับก็เยื้องขึ้นนิยามบทนิดนึงหน่อยนึงๆเนี่ยยิ่ง ตั้งไปทําอะไรอะไรทับซ้อนกันไปด้วยเจตนาตัณหาทั้งระยะ <c oughs> มีความค่าแล้วก็สัญญากจะประสบความสําเร็จได้สะสมความต้องการไว้อย่างนี้ว่าอะไรได้อย่างนี้น่ะเสร็จแล้วก็ สร้างสร้างพื้นฐานอันนี้ต้องอย่างบ้างไม่ดีบ้างดีนะหาโน่นๆมาเป็นตัณหาหลายล้อมเปิด อาการที่ชีวิตเราก็จะดําเนินไปเนี่ยทุกอย่างจะไปสอดคล้องกันนี่นี่คือสิ่งที่ ตัณหารูปยอดเหมือนเหมือนกันเราลองคิดนี่นะว่าเราต้องการอะไรเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมณ์ไม่มีเลยใช่ มันมีอะไรแฝงต่อไปใช่มั้ยแล้วไอ้สิ่งที่ต้องการยืมมันก็ไปตาม แล้วก็มาสนองคือพฤติกรรมสนองมีอวัยวะเนี่ยสนองความประสงค์ที่เราเนี่ยอันนี้บอกต้อง สมุทัยละอนหาได้อย่างเด็ดขาดและต้องละด้วยความ กิริตนะผมผมว่าตอนนี้แล้วผ่านไปว่ามี 2 อย่างคือ 1 นะ, เป็นอการณีกิจที่บุคคลไม่ควรกระทําเรา ก็จะเห็นว่ามาธียานนั้นคอกเขตแคบลงไปแคบในแง่ของในส่วนแห่งอ่าปรากฏการที่อธิบายค่อนข้างจะเป็นเรื่องของรูปธรรมแต่ว่าในเรื่อง เวลาท่านปราลภธรรมปราลภทานปราลภศีลเจริญในธรรมเจริญในนะการหยั่งรู้คุณในพระผู้มี คือเข้าใจพระพุทธเจ้ามากขึ้นเข้าใจธรรมะมากขึ้นอ่าน เหมือนเอาส่วนดีกับส่วนด้อยมาเพิ่มเข้าแล้วเนี่ย พระอรหันต์ทุกองค์มีได้มั้ยครับพระอรหันต์ทุกองค์ได้ฌานมั้ยอรหันต์ไม่ได้ตถาคตบางองค์นั้นไม่ได้ฌานเลยเป็นถ้าองค์ใดได้วิญญาวิญญานั้นจะ อภิญญากิริยานะถ้าเป็นอรหันต์ถ้าเป็นปุถุชนเรียกว่าอภิญญากุศลเป็นอภิญญากุศลเช่นพระอรหันต์จะไม่มาอ้างบอก อาตมาไม่ได้ฌานหรอกเพราะว่าอาตมาเป็นวิปัสสนาญาณที่แล้วเนาะอันนี้คือไม่มีอ้าง แนวโน้มอาตยาสายความสนัดชัดเจนเนี่ยจะค่อนข้างจะไม่มีโรงแรมเหมือนกันๆอันนี้เป็นส่วนคือ อ่ะก่อนที่จะไปพูดถึงกิริยาของมัคคิยาปํราณเนี่ยมันก็อ่าเดี๋ยวค่อยว่าอีกว่าถึงภูมิเนี่ยเกิด 15 เว้นอะไรอีก 8 แล้วก็อรูป 8 ก็อาจ บุญเจติยามาตั้งแล้วอรหันต์ที่เกิดในมนุษย์ภูมินั้นบุญมหาจีญานั้นเกิดขึ้นได้มากนะเหมือน ท่านจะมีโอกาสเรียกว่ามหาจริยา 8 ในบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายเนี่ยจะเต็มบริบูรณ์นะแล้วก็หลบลี้ไปสู่ที่หลีกเล็ดทํา <c oughs> อันนั้นก็เป็นโอกาสไปอย่างนี้เพราะถ้าหากว่าไอ้เกิดตรงชมเนี่ยมหาจีญาในฐานะที่ออกมาภาวะเฉพาะ ก็ข้อนี้ก็ 227 ไปบวชรากก็ไม่ได้เพราะกรมบดไม่ได้นะเทวดายังบวชไม่ได้ไม่แน่คงมี หน้าที่มากที่สุดแล้วก็เป็นเรียกว่า มหากิริยาที่เต็มรูปที่สุดคือมนุษย์เนี่ยอันดับ 1 รองลงไปคือเทวดาเทวดามีทานมีอะไรต่างๆได้แล้วก็รองลงไปอีกคือพระ<า> ธรรมสมานาก็มีไม่ได้ไม่รู้จะไปไปฟังธรรมะก็มีไม่ได้ไม่รู้ แต่ถ้าหากว่าพูดถึงตัวเองถ้าก็ต้องบอกว่าว่าพูดถึงตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักก็ต้องบอกว่าเป็นน่ะเป็นมนุษย์เนี่ยมันดีกว่าเราฮะ เนี่ยเราแฝนสูงมากใช้ปลาหรันเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือทําอะไรไม่ใช่ทําบาป พระอารันตสาบทุกท่านพบทําไมแล้วนั่นถือว่าเป็นเนี่ยทําบุญ ทำให้ตัวเองบรรลุธรรมได้นี่ไม่ได้เกี่ยวกับไวยากรณ์นะไอ้ไวยากรณ์อันหนึ่ง มันไม่มีจะใจจะสามารถปฏิบัติตามไม่เหลื่อมสายไม่อะไรทั้งอย่างกับตะละปัดกับ น่าเสียดายไม่พูดเปรียบเปรียบๆเนี่ยเอ๊ะเราเราอ่ะทําไมอ่านไม่ออกอ่านภาษา อธิษฐานกันจังขอได้พบพระศรีอานขอได้พบอย่างงูอย่างนี้แค่ปรารถนา นั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนพบพระพุทธเจ้านี่ตั้งเยอะแยะทั้งแต่คนส่วนมากเดี๋ยวไอ้ที่ที่ผมก็อย่าพูดอย่างนี้เลยเพราะ ได้เสียประโยชน์นางมากันธียได้ประโยชน์เสียประโยชน์เกียรติประโยชน์ใช่ บางคนก็ได้ในแง่ของส่วนบุญคนก็ได้ในแง่ของส่วนบุญได้พลังบุญโดยอาศัยท่านเป็นนะไม่ดีไอ้ไม่ดีจริงน่ะก็ค่อยยัง แล้วก็ได้เห็นเลยพูดนี่ก็เห็นเลยว่าสมมุติพระดีๆเนี่ยเราเป็นวิชาทิฏฐิจิตใจไม่ชั่วอย่างแล้ว <c oughs> <c oughs> ฟังดูแล้วก็เสียชื่อร้านก็ได้ทําไปเลยท่านก็แต่ คนที่ที่กล้าเข้าไปหาเจ้าหรือใครจะมาช่วยคนแล้วเรา ดูแลที่นี้อยู่ก็คิดว่าที่นี้อยู่ก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะให้คนเนี่ย แล้วดีใจเอ๋ยเห็นคนเฒ่าคนแก่มารำมวยจองมวยจีนเด็กมันเนี่ยของเล่นสําหรับเด็กผู้ใหญ่ที่เออ ทำไมเป็นงั้นทำไมเค้าไม่เข้าใจที่เรามาคิดอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่ให้เข้ามาแล้วเราไม่เสียเลย เครื่องเล่นที่ดินเราผลไปได้แล้วกล่าวไปเลยใบไม้ไม่ร่วงไปเลยที่ดินเราผลไปได้เลยก็ต้องเสียอยู่ได้มาใช้ประโยชน์กับสิ่งที่มัน ร่างกายทางใจของเค้ามาได้ประโยชน์อย่างเนี้ย จำว่าไม่ใช่ว่าเขาเต็มคู่พร้อมรักความปรารถนาดีของเราชาบสูงในเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่าน แต่ว่าลูกวิปัสสนาดีนะลูกหาคนยืนยันไม่ได้ลูกธรรมะดีหาคนยืนยันไม่ได้นี้นิพพานดีในโยมไม่ลุช ตนไปโดยกิริยาแห่งวัตถุ 10 อันนี้โดยบุญญาวัตถุนะว่ามหากิริยา 8 เนี่ยอันๆที่เป็นอาการเอ่อบุญญาวัตถุ 10 ว่าก็เนื่องด้วยจิตของด้วยจิตของจิตเหมือนกันคือตรงชวนนะจิตเนี่ยฮะคนให้ทานเนี่ยถามว่าให้สมุนคิยาวัตถุ 10 น่ะเป็นจิตที่ ด้วยจิตอะไรทํากิจอะไรก็บอกว่าด้วยมหาสุตนหรือมหากิยาที่ทําชวนนกิจเนี่ยธานาเมยเกิดขึ้นตรงจิต ด้านบุคคลด้านพฤติกรรมคือการให้ทานการรักษาศีลการ แล้วก็น่าจะเกิดกับกิจไหนได้มากก็เกลื่อนครบ 10 แล้วก็อีกคําถามที่ว่าข้อไหนได้มากผมคงจะตอบเลยว่ามากที่ๆทุกองค์นะใน 2 ครับ อ่าดู 3 เอาเต็มที่กับ 3 เอาที่เป็นตัวชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นจิตบ่อยหรือเอาถ้าจะลงหนูก็ไม่ตัวก็เป็น 4 เอาบนเอาแค่ 4 เนี่ยที่เป็นเป็นความเคลื่อน ท่านมีบุญกิริยาวัตถุ 4 อย่างที่ขึ้นหน้าตื่นตาปรากฏให้ ตอบเลยฮะตอบเลยดีกว่า 1 คือภาวนาภาวนาเนี่ยมันรวมตั้งแต่ได้ฌานก็ทําภาวนาฌานได้อ่าเอ่อหรืออาจจะเข้าผลสมาบัติก็ได้เข้านิโรธ แล้วก็บางทีท่านทํากระทั่งว่าแทรกซ้อนไปกับพฤติกรรมอื่นๆในขณะให้ทานในขณะที่ทําๆกระบวนการ อันนี้เป็นรุ่นที่เราที่เขาเรียกว่าจะสําเหนียกและเอาเป็นแบบอย่างใน บางคนถ้าเป็นเป็นปุถุชนเนี่ยนำไปไม่น้ํากลับน้ํากลับไม่นําไปแล้วมีสติไปเวลารับเวลากลับมีสติรับมีสติกลับเวลาแสดงธรรม อยู่กับภาวนาจริงๆว่าในอุกิยาใดปฏิบัติกรรมใดควรจะใช้ภาวนาอย่างไรก็ใช้ภาวนาอย่างนั้นให้ อำใดอย่างเดียวบางทีก็ได้ประโยชน์ในด้านเดียวประโยชน์บางอย่างเนี่ยเราไม่ได้โดยตรงคือไม่สามารถที่จะๆนะไม่ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้น ตื่นในอ่าตอตื่นในม่านก็มีแหละทําอย่างนี้เนี่ยอันนี้ฮะผมผมจึงอยากฝากหลักใหญ่ไว้จะเพียง เราเนี่ยพอมันมีอะไรขึ้นมาหวังอะไรอะไรที่เราไม่ต้องการอะไรที่ๆแล้วก็ๆเราน่าจะนึกถึง ดูเยอะก็เอาให้มันมาถอยกล้องเลยไอ้เรื่องนี้มันโตมาอย่างเงี้ยอย่างสมมุติเรามีๆอย่างอื่นแล้วแปรเมตตาไม่เป็นพอ รับใช้เมตตากับเขาเพื่อรักษาเขาด้วยแล้วเลยของทุกๆ เจรจาที่คำพูดนี่เหมือนแล้วผมน่นแหมแก่งบ่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าดีมี 2 อย่างอย่าง ขันธ์ฐานธุระอย่างหนึ่งคือวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระน่ะคือภาวนาแล้วก็ขออย่าว่าไม่ถ้าเรียนวิปัสสนาจึง สมาธิไม่สําคัญไม่ทําได้หมายถึงทั้งอย <c oughs> 2, <c oughs> 2> อย่างข้อ แต่ทําอย่างเป็นบาทก็ชื่อว่าทําวิปัสสนาธุระในพระพุทธศาสนานี่พูด อะไรในนี้สองคือสองแยกข้อคันธาตุระมีอยู่ 2 อ่ะจัดเป็นเทศนากับธรรมะสวนะเป็นคันธาตุระเอ่อ ทำมาเรียนมาอะไรมันเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาเรียนเกี่ยวเรื่องว่าพระองค์นั้นวันนั้นไปแสดงปาฏิหาริย์ที่นี่พระองค์นี้วันนี้มาแสดงปาฏิหาริย์ที่นี่วันนี้มีคนมาประกอบ ธรรมะสวนะกับธรรมเทศนาใช่มั้ยงั้นที่เรามาเรียนธรรมะเนี่ยเราเรียนธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าของพระสาวกเรียนธรรมะสวนะและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวนะงั้นพระด้วยฟังธรรมะด้วยบาง ถือว่าเป็นอ่างานหลักของความเป็น 2 เรื่องนี้ที่เป็น ดวงตาที่เป็นตัวเคลื่อนไหวเห็นๆนะแล้วก็ เคารพบุคคลอื่นตามอาการอันสมควรว่าวิธีเคารพมีหลายอย่างบางบุคคลบางนี่ก็โดย ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องทางพระอ่าถ้าที่เรา เป็นบรรยากาศใกล้เคียงกับในสมัยพุทธกาลที่ที่อ่านเห็นในพระไตรปิฎกเนี่ยในในหลักของอาจารย์ลังปราณนี่ๆพุทธกาลเลยแล้วก็ที่ รมานะมีทั่วๆไปจะมีลักษณะของอภัยทานว่าใส่อย่างใดวัดที่ๆๆๆเห็น ที่จะไหว้กันทําไมอีกอะไรอย่างงี้นะฮะเหมือนๆในโอกาสใกล้ไซร้กันได้ ตรงนี้ไว้น่ะมากันก็เราก็เคารพกันอย่างอย่างสมควรอย่างนี้อย่างตามระภาพอย่างนี้แต่พูดนี้อย่างแล้วเรา เลยมันไม่คงกันต้องไม่เนี่ยเวลาฟังแล้วจะก็ ถ้าเป็นโยมเนี่ยอาจจะมีที่ที่ฟังนะแล้วก็มาถึงเนี่ยสมัยก่อน พอมาถึงยุคเรามีเก้าอ๋งเก้าอี้นั่งครับรู้สึกว่านั่ง พนมมือมันทํายากมันเมื่อก็ดีพระเองก็เห็นใจว่าโยมไม่ต้องไหว้มือไม่ต้องนั่งพนมมือนะก็ แล้วก็ได้ดีก็ได้ดีเนี่ยดีจริงๆไม่ใช่ดีแค่ธรรมอย่างที่สำนักปฏิบัติที่สำนักอ่า 3:00 น. 4:00 น. พระ อาจารย์ก็มาเข้าเวรเทศน์กันปรากฏว่าโยมนั่ง 2 ชั่วโมงโยมก็พนมมือ 2 ชั่วโมงแล้วก็นิ่งนี่เราก็ ทำได้ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องตั้งฝืนความๆอย่างก็เป็นชั่วโมงอ่ะ แต่ก็ยังพอนั่งปนมมือได้ถ้าเป็นคนอื่นๆแต่พวก ก่อนเราน่ะเสียผู้เสียคนไปสก็อตต์หลวงหน้าตั้ง 4-50 ปีตลอดๆเสียหายไปหมดพวกเค้ายังรักษา อ่าผมคงจะต้องจะจบวันนี้แต่สําหรับตรงนี้ซึ่งจะต้องมาอธิบายย้ํากันอีกเนี่ยยังมีศีลยังรักษาศีลมั้ยบางคนกายกรรมวิติ มีจากายกรรมมีจาวจีกรรมแล้วก็มีจาอาชีพพระอหังไม่มีวิริติแล้วก็ข้อเว้นนี่ถามว่าหม่อมไม่เว้นเนี่ย ไม่มีการเว้นผู้ไม่มีการเว้นจาก อันพระภัณฑ์นั้นจะบกพร่องเรื่องบุญกิริยาวัตถุข้อนี้หรือไม่เนี่ย 1 อย่างนะแล้ว บุญกระจอกง้อๆแค่นี้ที่อย่างนั้นว่าปราชญ์อานุทิสูลกุศลมั้ยตาบอกว่าปราชญ์อานุทิสูล แล้วไปอุทิศเนี่ยคนคนอนุโมทนาเค้าก็ได้ก็ไม่ได้อะไรสิ